1.8 ปสติปัฏฐานเป็นเครื่องถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกสภาวะรู้ก็เกิดทีละแวบเดียวคือมหาคุโสลจิตยานสัมปยุตอสังคาริกังตัวโน้นก็เป็นโมหมูลจิตมีอุทธธัทัตจะนี่มันคิดต่อดูไปเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดดับไม่ได้ดูเอารู้นานๆหลายคนตั้งเป้าผิดคิดว่าทาอย่างไรจะรู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลาแล้วจะได้บรรลุเร็วๆไม่บรรลุหรอก ฉะนั้นเรารู้ไม่ใช่เพื่อจะรู้แต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งรู้ทั้งเผลอเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้อย่างนี้ตั้งหากถ้าเข้าใจหลักแล้วการภาวนาง่ายมากดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อะไรก็ได้เพราะทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นถ้าใจไม่ยอมรับความจริงใจก็เกิดยินดียินร้ายขึ้นมาไม่ยอมรับความจริงไม่เห็นความจริง ฉะนั้นภาวนาไปวันหนึ่งใจก็พ้นจากความยินดียินร้ายในใจฉะนั้นสติปัฏฐานท่านถึงบอกว่าเป็นเครื่องถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียเครื่องหมายคําพูดเปิดวินเนยะโลเกอภิชาโทมนัต ส, สังปิดเครื่องหมายคําพูด